สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องราวของตำนานในบ้านเราก็มีเยอะแยะมากมายหลากหลายตำนานนะคะ แต่ว่าวันนี้พระเจอผีแล้วก็บีเองก็จะขอพูดถึงเรื่องของตำนานดอยนางนอนค่ะเป็นที่ตั้งของพระธาตุดอยตุงอันเป็นปูชนียสถานสาคัญของภูมิภาคนี้อีกทั้งเป็นที่ประทับของสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทยสำหรับเทือกเขาดอยนางนอนนี้นะคะมีจุดสูงสุดคือผาช้างมูบค่ะซึ่งมีความสูงจากน้าทะเลประมาณ1520เมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของดอยนางนอนเป็นภูเขาหินปูนซึ่งมีถ้ำอยู่หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นถ้ำหลวงนางนอนดังนั้นนะคะพื้นที่ทางตะวันตกก็เลยเป็นที่สูงแล้วก็ลาดลงไปทางตะวันออกเป็นพื้นที่การเกษตรไปจนจรดเข้าเขตอำเภอเชียงแสนส่วนทางทิศใต้เป็นที่ราบปิดกันกับอาเภอแม่จันแล้วก็อำเภอแม่ฟ้าหลวงค่ะ ตำนานสำหรับดอยนางนอนนั้นนะคะเป็นเรื่องแรกเลยเรื่องตำนานดอยนางนอนเล่ากันมานานแล้วละค่ะ บอกว่าณนเะมืองเชียงรุง้ง12บสองปันนามีเจ้าหญิงอยู่องค์หนึง่งมีพระสิริโฉมงดงามเป็นอย่างยิ่งได้แอ บ, บรัก ก, กันกับผู้ชายเลี้ยงม้าในวังอันเป็นการผิดกฎตามโบราณราชประเพณีก็เลยจําต้องหลบหนีตามกันมาจนกระทั่งถึงที่ราบแห่งหนึ่งใกล้กันกับแม่น้ําโขงช่วงเวลาที่ทั้งคู่หลบหนีมาด้วยกันนั้นเจ้าหญิงก็ทรงพระคันได้หลายเดือนแล้วก็เลยเสด็จต่อไปไม่ไหวนะคะนางก็เลยบอกพระสวามีว่าจะประทับรออยู่ที่นี่ ส่วนสวามีก็บอกนางว่าจะไปหาอาหารมาให้อย่าไปไหนนะว่าแล้วผู้ชายหนุ่มคนนี้นะะก็เดินทางออกไปหาอาหารในป่านั้นแต่ทว่าชายหนุ่มคนนั้นไปนานแล้วก็ไม่กลับมาสะทีพอเจ้าหญิงมาทราบข่าวอีกทีนะะปรากฏว่า ชายหนุ่มผู้นั้นเนี่ยถูกฆ่าโดยทหารของพระราชบิดาของเจ้าหญิงซึ่งได้สะกดรอยตามเจ้าหญิงมานะคะแล้วก็ด้วยความเสียพระทัยค่ะนางก็เลยใช้ปิ่นปากผมเนี่ยแทงเข้าพระเศียรของพระองค์จนโลหิตไหลออกมาเป็นสายถึงแก่พระชนชีพและสายพระโลหิตที่ได้หลั่งไหลออกมานั้นก็เลยกลายเป็นต้นแม่น้ำแม่สายมาจวบจนทุกวันนี้นะคะ แล้วก็มีอีกตำนานหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังเชื่อกันว่าเจ้าหญิงเมืองพุกามกรีทาทัพออกตามหาเจ้าชายที่นางรักนางออกรบแล้วก็มีผู้คนล้มตายจํานวนมากมายแล้วก็ขยายอาณาเขตมาเรื่อยๆจนมาถึงเวียงสีทวงค่ะก็เลยพบ ก, กันกับเจ้าชายแต่ปรากฏแน่ว่าเจ้าชายหนีหายไปกับสาวสวยชาวเวียงนี้อีกครั้ง นางก็เลยรู้สึกสลดจนตรอมใจตายแต่ว่าก่อนที่นางจะตายเนี่ยนางได้ตั้งจิตอธิฐานให้ร่างของนางกลายเป็นเทือกเขาที่ชาวบ้านพากันเรียกว่าดอยนางนอนนี่แหละนะคะน้ำตาที่ไหลรินกลายเป็นขุนน้านางนอนค่ะส่วนพร้พลของนางก็กลายมาเป็นชนเผ่าหลากชาติพันธุ์บนภูเขาแห่งนี้ และก็ยังมีตำนานซึ่งเกี่ยวกับพระาธาตุจอมนาคอีกเรื่องหนึ่งนีคะว่าพญาครุฑเนี่ยลักพาลูกสาวพญานาคมาแอบซุกซ่อนอยู่ในเทือขาวแห่งนี้พญานาคผู้เป็นพ่อออกตามหามาพบลูกสาวนอนอยู่กับพญาครุฑในบริเวณที่เป็นต้นน้ําซึ่งปัจจุบันเรียกว่าขุนน้ํานางนอนอยู่ทางทิศตะวันออกของพระาธาตุดอยตุงนะคะพญานาคก็เลยขอลูกสาวคืนแต่ว่าพญาครุฑขอแลกกับทองคําค่ะทุกวันนี้แหล่งน้ําที่พญานาคนําทองคําขึ้นมาจาก มาแรกกับลูกสาวนั้นเรียกว่าหนองตานาคบริเวณที่พญานาคส่งทองคาให้พญาครุฑนั้นก็เรียกว่าหนองละกาค่ะแปลว่าพญานาลาจากสัตว์พวกนกกากลับบาดาลทองคําถูกนําไปเก็บไว้ที่ถ้ำทรายคําหรือว่าถ้ำทรายทองนะคะก่อนกลับไปพญานาคสร้างพระาธาตุจอมนาคหมายไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายเตือนใจนว่าครั้งหนึ่งนี้เราสูญเสียทองคาให้กับพญาครุฑไปนั่นเองค่ะ ส่วนพระวรากายขององค์หญิงที่นอนเหยียดยาวจากทิศใต้จรดทิศเหนือก็เลยกลายเป็นดอยนางนอนจวบจนทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ส่วนของพระอุทธรหรือว่าท้องก็กลายเป็นดอยตุงเส้นทางที่จะไปยังอำเภอแม่จันนั้นเนี่ยนะคะมีขุนเขาทอดตัวคล้ายกันกับผู้หญิงนอนเหยียดยาวก็เลยเรียกว่าดอยนางนอนค่ะ แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะดอยนางนอนนี้มีชื่อเดิมก็คือดอยตายสะหรือว่าดอยสามเศร้าซึ่งสอดคล้องกันกับตำนานลาวจกนะคะเทวบุตรอย่างแนบแน่นเลยทีเดียวดอยส่วนที่ศีษะเรียกดอยจ้องหรือว่าดอยจิกจ้องเดิมเรียกดอยนี้ว่าดอยท่าหรือว่าดอยต้าเป็นดอยของลูกชายปู่เจ้าลาวจกที่รอคอยพ่อดอยลูกถัดมาค่ะเรียกว่าดอยย่าเท่าซึ่งเป็นภรรยาของปู่เจ้าลาวจกส่วนดอยอีกลูกหนึงคือดอ ดินแดงหรือว่าดอยปู่เจ้าลาวจกหรือเป็นที่รู้จักกันดีในนามของดอยตุงค่ะเชื่อกันว่าดอยสามดอยนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของลาวจักราชผู้เป็นต้นราชวงศ์ของพญามังรายก่อนที่จะเคลื่อนย้ายมาสร้างเมืองหิรัญ น, นครเงินยางซึ่งอยู่ทางด้านของเหนือดอยดินแดงนะคะแล้วก็เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุดอยตุงอันถือว่าเป็นปฐมธาตุแห่งแรกของทางภาคเหนือนั่นเองค่ะ สำหรับเรื่องราวของอาถรรพ์ตำนานลี้ลับอาถรรพ์ถ้ำหลวง ยังไม่มีใครกล้าเข้าแม้กระทั่งตอนกลางวันเนี่ยค่ะเชื่อว่าจะแม่ดอยนางนอนหรือว่าตำ น, นานเจ้าปู่พญานาคผู้ดูแลรักษาถ้ำเนี่ยมีจริงค่ะจากกรณีเด็กนักฟุตบอลและก็ผู้ฝึกสอนหายเข้าไปในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในวณอุทยานแห่งชาติานางนอนจังหวัดเชียงรายนะคะเมื่อช่วงเย็นวันที่23มิถุนายน2561ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ต่อมานี่ยก็นายดรงหันพักดีนิยม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนสำนัก ง, งานพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ที่15ก็ได้รับแจ้งว่ า, ามีผู้ที่พากันเดินทางเข้าไปในถ้ำหลายคนแล้วก็ไม่กลับออกมาอีกเลยโดยพบรถจักรยานแล้วก็รองเท้าบริเวณทางเข้าถ้ำนะคะตามความเชื่อว่าถ้ำแห่งนี้เป็นที่อาถรรพ์ซึ่งถ้ำก็มีความกว้างใหญ่แล้วก็ลึกมากซึ่งข้อมูลจากกองอุทยานบอกว่ามีความยาวประมาณ10กิโลเมตรเลยล่ะคะ่ะโดยปกติแล้วเนะะี่ยถ้ำ นี้จะไม่ค่อยมีคนเข้าไปข้างในเพราะว่าดูลึกลับแล้วก็น่ากลัวมากชาวบ้านแถวนี้เนี่ยรู้ดีถึงอาถรรพ์แล้วก็ความลี้ลับที่อยู่ภายในถ้ำ<ๆ>ก็เลยไม่มีใครกล้า ย, ย่างกระไดเข้าไปแม้ว่าจะเป็นในเวลากลางวันก็ตามซึ่งถ้านี้มีตำนานเล่าขานหนึ่งความลี้ลับมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นตำนานของจะแม่ดอยนางนอนหรือว่าตำนานปู่พญานาคผู้ดูแลรักษาถ้ำแห่งนี้ การที่จะเข้าไปในถ้าแห่งนี้ได้ตามความเชื่อก็ต้องขออนุญาตจากผู้ที่ดูแลถ้ำแล้วก็เข้าชมด้วยความสงบห้ามส่งเสียงดังแล้วก็พูดจาในสิ่งที่ไม่ควรด้วยถ้าแห่งนี้แตกต่างไปจากถา้าทุกที่ที่ผ่านมานะะี่ยแล้วก็หลายๆถ้าด้วยเพราะว่าทุกอนู ข, ของถ้ำเหมือนมีชีวิตแล้วก็เหมือนกำลังจับตา ม, มองผู้ที่เข้ามาทุกฝีก้าว ถ้ำนี้ไม่มีใครกล้าเข้ามาพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งๆ ท, ที่ก็อยู่ในเขตอุทยานขุนน้ำนางนอนค่ะซึ่งต่างจากถ้ำที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกลับได้รับการดูแลเป็นอย่างดี สำหรับเขานางนอนนั้นนะคะไม่ได้มีเพียงแค่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายทางภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังนอกจากเขานางนอนทางเหนือแล้วยังมีทางใต้ด้วยตำนานเขานางนอนก็เรื่องราวคล้ายๆกันค่ะเขานางนอนที่ว่านี้อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเขานางนอนที่นครศรีธ ร, รรมราชเนี่ยก็มีลักษณะเป็นภูเขาหินสูงตรังงานสามารถมองเห็นได้แต่ไกลจากอำเภอทุ่งสงอำเภอทุ่งใหญ่แล้วก็อำเภอลำทับจังหวัดกระ แต่ว่าที่สามารถมองเห็นเป็นรูปผู้หญิงนอนหลับนั้นปรากฏอยู่เพียงด้านทิศใต้ของอำเภอทุ่งใหญ่และก็ทิศเหนือของอำเภอบางขันเท่านั้น เขานางนอนมีเรื่องเล่าหลายสำนวนค่ะแต่ว่าสามารถสรุปจากความเชื่อแล้วก็เรื่องเล่าทํานองเดียวกันได้นะคะว่าก่อนที่จะปรากฏเขาลูกนี้ขึ้นนั้นเนี่ยมีผู้หญิงสาวสวยนางหนึ่งในพื้นที่แถบนี้นี่แหละนะคะได้ผูกใจสมัครรักใคร่กับชายหนุ่มรูปงามซึ่งเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันโดยทั้งคู่ต่างสัญญาว่าจะอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากัน แต่ว่าด้วยเหตุจาเป็นที่ทำให้ชายหนุ่มเนี่ยต้องจากสาวคนรักไปต่างถิ่นแล้วก็สัญญาว่าไม่นานจะกลับมาสู่ขอก็เลยทำให้สาวใต้คนนี้เนี่ยรอคอยให้ชายหนุ่มกลับมาสู่ขอแม้ว่าหนุ่มจากคนรักไปเป็นเวลานานเนี่นะคะแต่ว่าสาวคนรักก็รอคอยอยู่ไม่เคยเสื่อมคลายแล้วก็ยังคงมีจิตใจมั่นคงต่อชายผู้นี้แม้ว่าชายหนุ่มหลายคนจะมาสู่ขอแต่ว่านางก็ได้ปฏิเสธไปหมดนางกังวลใจแล้วก็เข้าใจว่า ชายคนรักจากไปอยู่กินกับผู้หญิงอื่นก็เลยออกเดินทางตามหาชายคนรักและด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็เลยอธิษฐานค่ะว่านางเองจะรอคอยชายคนรักอยู่ที่นี่ตลอดไปจากนั้นนางก็เลยกลั้นใจตายร่างของนางก็เลยกลายเป็นภูเขาสูงใหญ่ปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ค่ะส่วนชายหนุ่มคนรักนั้นเมื่อเสร็จธุระจึงเดินทางกลับก็ได้ทราบเรื่องราวและเห็นสาวคนรักตายกลายเป็นภูเขาก็เสียใจมากก็เลยกลั้นใจตายต า, ยตามนั่นเองนะคะ คุณผู้ฟังคะสำหรับใครที่อยากจะไปดูเขานางนอนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยไม่ยากเลยค่ะสามารถเห็นได้เพียงจุดเดียวเท่านั้นหากว่าคุณผู้ฟัง อ, อยากจะไปนะคะก็อยู่บนถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข41กรุงเทพหัดใหญ่นะคะระหว่างหลักกิโลเมตรที่262ถึง263นั่นเองนะคะ และนี้ก็คือความเชื่อที่มีตำนานแล้วก็เรื่องเล่าคล้ายกันกับข่าวนางนอนที่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายที่เป็นข่าวคลื่โครมเกี่ยวกับเด็กศูญหายเข้าไปในถ้นะคะแล้วก็เรื่องเล่าของข่าวนางนอนที่อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ เรายังไม่หนีจากทางภาคใต้นะคะยังอยู่ที่เรื่องของตำนานเรื่องของขุนเขานะคะเราจะไปกันที่จังหวัดพังงากันต่อเลยคุณผู้ฟังเป็นนิทานพื้นบ้านภาคใต้เรื่องตำนานเขาช้างเดิมทีมีพี่น้องสองคนที่ชื่อยมดึง เป็นชายน้องชื่อยมโดยเป็นหญิงค่ะตั้งบ้านเรือนอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันต์ต่อมาเนี่ยนางยมโดยเสียชีวิตแต่ ย, ยมก็เลยเศร้าโศกมากก็เลยละทิ้งถิ่นเดิมไปตามยถากรรมจนมาถึงปลายคลองแสงในเขตอำเภอ บ, บ้านตะขุนจังหวัดสุรา ธ, ธานีแล้วก็อาศัยอยู่กับตาโจงโดงในละแวกบ้านไกรสอนนะคะซึ่งมีอาชีพหาน้ามันชันจากต้นยางเนื่องจากตยมดึงเนี่ยเป็นคนขยันค่ะจนตาโจงโดงพอใจมากถึงกับยกน นางทองตึงให้แก่นายยมดึงค่ะครั้นอยู่มาวันหนึ่งมีโขลงช้างป่าเข้ามาทําลายไร่ข้าวแล้วก็ผักผลไม้ของตายมดึงไล่ไปแล้วก็กลับมากินอีกเป็นแบบนี้หลายครั้งหลายคราวจนนายยมดึงนี่โกรธแค้นจะฆ่าช้างนั่งโขลงนั้นให้ได้ยังมีตะงุ้มอีกคนนึงนะคุณผู้ฟังเป็นชาวบ้านภูมิเรียงค่ะอําเภอชายามีอาชีพค้าขายเดินทางไปต่างเมืองอยู่เสมอค่ะตะงุ้มนี่มีช้างอยู่สองเชือกด้วยกัน เป็นช้างพังแล้วก็เป็นช้างพลายเพื่อเป็นพาหานะในการบรรทุกสินค้าคราวนั้นเนี่ยตงุ้มเดินจากชา ย, ยาไปค้าขายถึงเขาพนมแล้วก็จะไปต่ อ, อยังตะกัวป่า แต่ว่าขณะที่ตะ ง, งุ้มพักช้างอยู่นั้นโคลงช้างที่ตะยมดึงไล่เนี่ยวิ่งผ่านมาพอดีค่ะทีนี้ช้างพลายของตะงงุ้มเนี่ยเห็นช้างพังงามเข้าก็กระชากปลอกขาดออกวิ่งติดตามนางช้างพังป่านั้นไปได้อลว่าต่อสู้กับช้างพลายป่าจนฝูงช้างนี่แตกกระจัดกระจายนะคหนีไปคนละทิศคนละทางเป็นเหตุให้ตะยมดึงสาคัญผิดติดตามล่าช้างของตะ ง, งุ้มเชือกหนึ่งด้วย แายมดึงก็เลยสะกดรอยล่าช้างกับหมาตัวหนึ่งตามมาจนถึงคลองศกค่ะซึ่งน้ำเชี่ยวมากๆช้างพังเชือกหนึ่งกําลังท้องแก่ตกใจวิ่งหนีจนพลาดตกลงไปในคลองนั้นแรงกระแทกทำให้ตกลูกออกมาลูกช้างตัวนั้นกลายเป็นหินอยู่กลางคลองศกก็เลยเรียกว่าหินลูกช้างมาจนบัดนี้เนี่ยคะแตยมดึงยังคงติดตามรอยช้างต่อไปโดยลากหอกตามไปเรื่อย ทางที่ลากห อ, อกไปนั้นทำให้ดินแล้วก็หินเนี่ยแยกเป็นทางน้ำอยู่ในเขตอำเภอพนมจังหวัด ส, สุราษฎร์ธานีเรียกว่าหมู่บ้านแถบนั้นว่าบางลากห อ, อกค่ะหรือว่าบางตามมาจนถึงทุกวันนี้ทีนี้ตะยมดึงเนี่ยตามช้างไปจนถึงช่องเขาในป่าลึกในตำบลคลองศกที่นั้นก็มีม้าตัวหนึ่งเหลียวมาดูตะยมดึงเขาช่องนั้นก็เลยได้ชื่อว่าช่องม้าเหลียว ครั้นไล่ต่อไปจนเกือบจะทันตยมดึงก็ได้เอาดินปืนใส่กระบอกปืนจ้องยิงแต่กระสุนพลาดค่ะคุณผู้ฟังไปพลาดไปนิดเดียวคือไปโดนสถานที่ที่กระสุนตกเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ ใ, ใกล้ๆบ้านบางหมานก็เลยเรียกที่นี่ว่าช่องลูกปลายค่ะแต่ว่าด้วยความโกรธที่ยิงช้างไม่ถูกตายมดึงก็เลยโยนปืนเนี่ยทิ้งปืนไปตกบนภูเขาตรงหน้าวัดสองพี่น้องตําบลคลองศกก็เลยเรียกภูเขานั้นว่าเขาโยน ต่ยมดึงเหนื่อยมากไล่ช้างก็ไม่ทันยิงก็ไม่โดนอะไรก็ไม่โดนก็เลยปล่อยให้หมาที่ตามมาด้วยเนี่ไล่ช้างไปก่อนหมาไล่ไปเรื่อยๆค่ะไปพบแลนด์คุณผู้ฟังแลนด์วิ่งหนีลงรูค่ะซึ่งอยู่บนเขาตรงหน้าถ้ำวตารามแต่ว่าแลนด์ถูกหมาตะครุบได้ตรงส่วนหางหางแลนเนี่ยมันหลุดคาดรูอยู่นั่นน่ยก็เลยเรียกสถานที่นั้นว่าแลนคารูครั้นแลนด์หลุดไปได้หมาได้แต่งแงนดูค่ะก็เลยเรียกบริเวณนั้นว่าย่านหมางแงน ฝายเตยมดึงเนี่ยนะคะได้ใช้พระขว้างแลนพลาดไปถูกภูเขาพระหักก็เลยเรียกสถานที่นั้นว่าเขาพระหักครั้นไล่ต่อไปอีกก็เลยเกิดฝนตกหนะะักค่ะจำเป็นต้องเอาดินปืนทิ้งไว้ในถ้ำก็เลยเรียกถ้ำนั้นว่าถ้ำดินปืน ช้างพลายของตะงุม้มถูกตะยมดึงตามไล่ไม่ลดนะคะต้องตะเลิดหนีไปจนถึงแดนเมืองตะกัวป่าไปหยุดนอนณนะป่าแห่งหนึ่งที่เป็นเขตอําเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาจึงได้เรียกว่าบ้านช้างนอนนั่นเองนะคะทีนี้เรื่องราวของตำนานนี่กําลังสนุกไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตะยมดึงนี่แกก็ไม่ยอมลดละ แกวิ่งไล่ตามช้างแกเดินตามช้างข้ามวันข้ามคืนเกือบทันช้างมันก็หนีต่อไปจนผ่านช่องเขาซึ่งอยู่ระหว่างอำเภอท้ายเหมือนกับอำเภอตะเกวดุ่งแต่ยมดืงนี่เห็นแผ่นดินใหญ่วางอยู่ก็เลยอขออภัยนะคะเห็นแผ่นหินวางอยู่ก็เลยยืนรับหอกกับแผ่นหินนั้นที่นั่นก็เลยเรียกว่าเขาหินลับมาจนถึงทุกวันนี้ ทีนี้ต่ยอมดึงก็เลยตามล่าจนเข้าเขตเมืองพังงาค่ะที่เป็นป่ารกแล้วก็ฝนตกหนักด้วยก็เลยปีนขึ้นไปบนภูเขาลูกหนึ่งแล้วชะโงกดูช้างเชือกนั้นปัจจุบันนะคะบริเวณนี้เรียกว่าทุ่งขาโ ง, งกพอต่ยอมดึงเห็นช้างก็รีบลงมาใช้หอกแทงช้างทันทีหอกปักเข้าที่ขาข้างหนึ่งทําให้ขาช้างเป็นแผลใหญ่แล้วก็พิการเดินได้ไม่ค่อยถนัด ก็เเรียกบริเวณที่ช้างถูกแทงนั้นเนี่ยบอกว่าบ้านแผลซึ่งอยู่ในเขตอำเภอพังงาช้างก็ยังกระเสือกกระสนหนีต่อไปจนหมดแรงก็หมอบนอนอยู่กลางแดดปัจจุบันเรียกบริเวณนั้นว่าบ้านตากแดดนะคะต่ยมดึงได้ใช้หอกแทงตรงท้องของช้างเลือดไหลทะลักออกมาในที่สุดก็สามารถล้มช้างพลายของตะงุมได้สําเร็จช้างนั้นเนี่ยกลายเป็นหินเรียกว่าเขาช้าง ตรงส่วนที่เป็นท้องของช้างซึ่งมีเลือดไหลทะลักออกมานั้นกลายเป็นน้ําตกค่ะและท้องช้างก็กลายเป็นถ้าใหญ่เรียกว่าถ้าพุงช้างแล้วก็ด้วยความแค้นของตะยมดึงเนี่ยได้พาท้องช้างล้วงเอาตับไตไส้พุงออกมาต้มแกงกินเป็นอาหารพอกินเสร็จก็ยกหม้อข้าวหม้อแกงเหี่ยงลงไปในวังน้ําใกล้ๆนั้นปัจจุบันเรียกบริเวณนั้นว่าวางังหม้อแกงซึ่งอยู่ใกล้ๆ ก, ล ก, ล ก, ลกันกับตลาดพังงาและต่อมา ตะงุ้มเนี่ยแกเหนื่อยไงคะคุณผู้ฟังตะยมดึงเนี่ยแกเหนื่อยไงคะหลังจากที่แกไล่ล่าช้างมาตลอดเวลาแกก็เลยนั่งเอาหลังพิงงาช้างตัวที่ตายนีคะปัจจุบันนี้คําว่าพิงงาก็ได้กลายมาเป็นพังงาค่ะฝ่ายตะงุ้มเนี่ยเจ้าของช้างเที่ยวตามหาช้างของตัวเองไม่พบ ตามมาจนถึงพังงาก็เลยรู้ว่าช้างของตัวเองถูกฆ่าซะแล้วก็เสียใจจนขาดใจตายต า, ยตามช้างไปแล้วทีนี้ร่างของต่ ง, งุ้มก็เลยกลายเป็นภูเขาเรียกว่าเขาต่งงุม้มนั่งเฝ้าอยู่ใกล้ๆซ า, ากช้างคือเขาช้างนั่นเองบางตำนานก็เล่า ว, ว่าช้างของต ง, งุ้มเป็นช้างพังและก็มีงาเล็กๆนะคะ ชาวบ้านก็เลยเรียกละแวกนั้นว่าพังงาค่ะแล้วก็บางตำนานนะคะเล่าว่าช้างที่ถูกฆ่าเนี่ยเป็นช้างของตะยมดึงที่ขี่ไปแต่งงานแล้วช้างมันเกิดหลุดไปทําลายพืชไร่ของเขาก็เลยถูกฆ่าตำนานที่เกี่ยวกับเขาวช้างนี้เนื่องจากมีมาช้านานแล้วผู้เล่าก็มักจะนำเอาสถานที่ อ, อื่นๆในบริเวณนั้นมาเชื่อมโยงเสริมต่อก็เลยพิสดารออกไปมากมายดังเช่นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายไว้ในจดหมายเหตุประพาธหัวเมืองปักใต้รอ 28ะะว่าเขาช้างที่กล่าวมาแล้วนั้นมีเรื่องเล่ามาต่อว่าต่ยมดึงได้ผูกช้างไว้จะไปช่วยงานแต่งงานลูกสาวตำม่องไล่แต่ว่าช้างได้ไปเหยียบข้าวในนาของต่ยมดึงเสียมากมายแล้วก็หนีไปค่ะต่ยมดึงก็เลยไล่ช้างมาตั้งแต่ตะกวัวป่ามาทันเข้าที่นี่แล้วก็ฆ่าช้างนั้นตายซะต่ยมดึงก็เลยถอนงาช้างไปพิงไว้ที่เขาลูกหนึ่งก็เลยมีชื่อว่าเขาพิงงาอยู่เหนือเขาช้าง เล่ากันต่อไปนะะว่าเมืองนี้เดิมเรียกว่าเมืองพิ ง, งามาภายหลังจึงเพี้ยนไปเป็นพังงาแทนส่วนช้างที่ตะยมดึงท่านั้นนะคะที่ผูกอยู่บนหลังช้างได้ตกลงมาคว่าอยู่ทางท้ายช้างแล้วก็กลายเป็นเขาลูกต่อมาเรียกว่าเขาท้ายช้าง จนกระทั่งถึงบัดนี้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวตำนานที่คนโบราณได้เล่าให้กับลูกหลานได้ฟังกันเกี่ยวกับตำนานของเขาช้างตำนานของอำเภอแล้วก็ตำนานของจังหวัดพังงา น, นั่นเองค่ะ วันนี้จบเรื่องของตำนานไปแล้วเรียบร้อยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีคนละเล็กคนละน้อยนะคะแล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีให้กับเราด้วยหมดเวลาแล้วนะคะติดตามรับฟังได้ใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ